ก็ได้อยู่แล้วคือการพิจารณาพวกนี้นะว่าอะไรเราโง่นะจิตมันจะน้อมไปพิจารณาอนั้นเองถ้าถ้าเจริญตามหลักจริงๆนะพอเจริญไประดับหนึ่งจะรู้เองว่าเราไม่ไม่ได้พิจารณาอะไรเนี่ยนะถ้าถ้าถ้าเจริญไปเรื่อยๆมากๆขึ้นนะมันเหมือนกับว่าหนังสือเนี่ยเราจะเริ่มรู้ว่าหนังสือเล่มไหนเราไม่ค่อยได้อ่าน สมมติถ้าเป็นพระไตรปิฎก91เล่มนะถ้าอ่านไปเรื่อยๆนะจะเริ่มรู้ว่าเล่มไหนเรายังไม่ได้อ่านหรือเล่มไหนอ่านแล้วก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยนะการพิจารณาธรรมะพวกนี้จะเป็นลักษณะเดียวกันพอพิจารณาไปมากๆนะการพิจารณาของเราจะบอกเองว่าเราเนี่สอบตกตรงไหนหรือเราไม่ค่อยเข้าใจตรงไหนหรื อ, อวิธีสังเกตง่ายๆนะตรงไหนที่เราไม่ค่อยสนใจเลยไม่ค่อยอยากรู้เลยไอ้ตรงนั้นคือสิ่งที่เราบกพร่องที่สุดเนี่ยนะก็อันั้นแหละเป็นเครื่องวัด เช่นว่าอาหารชรูปเราไม่ค่อยสนใจเลยนะอิ่มๆไปวันๆหนึ่งแค่นั้นอันนั้นให้รู้ว่าเรามีอวิชชาในเรื่องนั้นมากทีนี้ถ้าเราปรารถนาคุณธรรมชั้นสูงก็ต้องมาพิจารณาในส่วนนั้นส่วนที่พร่องเนี่ยนะผู้ที่พิจารณาเนี่ยโดยที่ไม่ทิ้งคําสอนเนี่ยคำสอนจะบอกเองจะสกิดเราเรื่อยว่าอ่อนเรื่องนั้นนะอ่อนเรื่องนี้นะอย่างงี้ยนะหรือถ้าพิจารณาไปเนี่ยอ่อนสมถ t จะรู้เองว่าอฟุงมากขึ้นนะพิจารณาแล้วฟงนี่ แสดงว่าไม่ใช่แล้วก็ไปเจอหันไปฝึกเจริญสมถะให้มากขึ้นแต่ทีนี้ถ้าเจริญสมถะไปเอ๊ะทำไมอวิชามันตื้อๆไปหมดเลยอย่างเงี้ยก็แสดงว่าไอการไร้ควรพวกนี้เราอ่อนไปมันก็จะปรับจนขั้นบกนมันสมดุลกันเนี่ยนะพวกนัยะบุคคลมันเป็นอย่างนี้แหละทุกขั้นตอนนี่ละเอียดยิบหมด <c oughs> ดะนั้นก็ทำพีที่อธิบายธรรมะกลุ่มนี้ต่อไปนี่ก็อย่างยุคนี้ก็ไม่ยอมรับแล้ว บอกว่าใครจะไปทําตามได้าไปมาเราจะเอาหมดดเลยไ้ม า, มาเดี๋ยวณนั้อก็ทั้งหมดอยู่แล้วสัมปชัญญะบัพเพ็ต้องเอาทั้งหมดในการเจริญเนี่ยต้องต้องเอามาเจริญทั้งหมดอยู่ดีเนี่ยนก็อย่างที่แต่ถ้าถ้าเจริญได้บริบูรณ์อยู่แล้วนะมันจะเป็นเรื่องธรรมดาโดยอัธยาศัยเนี่ยนะเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นความรู้แบบ อัธยาศัยเหมือนไม่ต้องกําหนดจดจำเลยลืมตามันก็เป็ น, ปนคําสอนอย่างที่ที่ฝึกมาอยู่แล้วจนจนชำนาญเนี่ยนะเพราะเหมือนกับผู้ที่ชำนาญเนี่ยนะเช่นพวกช่างรถทั้งหลายแหละเขาก็ไม่ได้ต้องจําหลักสูตรอะไรใช่ไหมเพราะว่าเขาชํานาญในสิ่งนั้นๆมากๆ ก, ก, กนนนนเนี่ยนะก็ฝึกจนจนชํานาญเนี่ยนะก็ธรรมะกลุ่มนี้จึงจึงอยู่ในกลุ่มพาเวตปรธรรมเลต้องต้องฝึกฝนต้องให้ชํานาญ ถ้าพระภิสูจนในถไม่เจริญพระองค์ก็ตำหนินี่นะว่าชีวิตอยู่ด้วยความเกียดคร้านเนนะคุณปิดายแยกออกไปนนะสองส่วนอย่างที่ว่าก็ผู้ต้องการรายละเอียดก็ดูวิสุทธิมรรคเล่มสุดท้ายนะอ่าเล่มสุดท้ายเลยมีวิสุทธิมรรคมีอยู่หกเล่มหกเล่มสุดท้ายนี้ก็ไปดูบ่อย ถ้าอยากจะพิสดารก่อนนั้นก็ดูปฏิสัมพิธามมักเล่มหกสิบแปดนั่นแหละก็มักมักทั้งหลายเลยนี่แหละคำพีที่ยากมากก็คือเนี่ยคำพีที่มีมักมักนำด้วยเนี่ยนะมักนี่แปลว่าทางอ่ะนะไม่ได้แปลว่าชอบต่มักแปลว่าชอบนี่มุน่นะก็ เป็นคัมพีร์ที่จับแล้วคนจะรีบวางมากกว่าเพื่อนอนั่นไงและอย่างสี่สำคัญมากนะคือคัมพีร์เหล่าเนี้ยที่ชัดอย่างหนึ่งใครที่ผ่านสํานักปฏิบัติมาเยอะๆเนี่ยมันจะไปขัดกับข้อปฏิบัติของตัวเองก็จะไม่ค่อยชอบอ่านนั่นไงอันนี้นอย่างหนึ่งเหตุผลอย่างหนึ่งคือเอ๊ไม่เห็นเหมือนกับที่ที่ฉันเรียนมาเลยที่ฉันฝึกมาเลยทั้นก็จะละเลยในคัมภีร์เหล่านี้เป็นอย่างมาก ไมคิ ด, ดนีชอบิข้อความซามๆกันเปื่อกระดาษไิกันบ่อยจงลคคือคำถามแบบนี้เนี่ยใครตอบได้บ้างนะขอ <c oughs> งมาไม่ค่อยมีศรัทธาตอบเลย <c oughs> นั่นนะคือไม่มีศรัทธาจะตอบไม่ใช่อะไร <c oughs> คืออ่ การศึกษาธรรมะที่ไม่เป็นลำดับนะจะจะเป็นแบบเนี้ยคำว่าพิมพ์ซ้ำๆเนี่ยจริงๆแล้วอะไม่ซ้ำหรอกแต่เราเนี่ยเข้าใจว่าซ้ำเองเนี่ยนะอย่างเช่นอย่างนี้รูปอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปทำไมไม่ใช่ว่านี่ความเกิดแห่งขันใหามันรวบไปเลยอย่างนง้ยนะคือคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาพระพุทธเจ้าเทศนะเขาพิจารณาตามแล้วแต่ละทวารก็ไม่ได้เหมือนกันด้วย เพราะฉะนั้ น, นสมัยพุทธกาลเนี่ยเวลาเวลาเขาฟังเทศนะเขาฟังเสียงแล้วเหมือนก็เห็นภาพอย่างอย่างนั้นจริงๆเลยนะอย่างเช่นจกักรโซเที่ยงหรือไม่เที่ยงอ่ะเขาพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของจักสุตามไปด้วยเขาไม่ได้ฟังเฉพาะเอาแต่แต่พยัญชนะได้แต่เสียงไปเนี่ยนะซึ่ ง, งแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นจึงเนื้อในธรรมในนั้นไม่มีความซ้ํากันอยู่เลยเนี่ยอย่างหนึ่ง อย่างที่สองบุคคลที่ฟังก็ไม่ซ้ํากันเลยอย่างที่สามปีที่เทศก็ไม่ซ้ํากันเลยแต่เนื่องจากเอามาพิมพ์ไว้ใกล้ๆกันก็เลยดูเหมือนกับซ้ําๆแต่ละทวารก็ไม่ได้ซ้ําอย่างการพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของทางตากับทางหูเนี่ยไม่ซ้ำนะถ้าถ้าไม่พิจารณาเนี่ยจะนึกว่าซ้ําตาไม่เที่ยงหูไม่เที่ยง จริงๆแล้วตาก็อย่างหนึ่งใช่ไหมหูก็อย่างหนึ่งนะความไม่เที่ยงก็แตกต่างกันไปสีไม่เที่ยงเสียงไม่เที่ยงสีก็แตกต่างเนี่ยนะสีก็อย่างหนึ่งเสียงก็อย่างหนึ่งถ้าใครครวญมากๆจะรู้ถึงความแตกต่างว่าคําเหล่านั้นเนี่ยสมควรจะสมควรจะตรัสแบบนั้นจริงๆเนี่ยนะแต่ทีนี้ในยุคลา่าหลังก็ชอบย่อๆนะก็มีผู้ที่จะพยายามมาให้มันเหลือสั้นๆเนี่ยนะก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็ ก็คือทำช่วยช่วยกันจนหมดอ่ะช่วยช่วยกันจนต้องรอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาเทศใหม่เพราะฉะนั้นก็บางทีซ้ำ ๆ, ๆก็ยังไม่ค่อยจะจำได้เลยคืออย่างบางสูตรนะอย่างบางวักเนี่ยแต่ละวแต่ละสูตรแต่ละสูตรเนี่ยบรร500 500 500 500 500 500 500 500ลุห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยห้ารอยของเราเนี่ยอย่างที่เห็นนี่นแหละ ก็ปกติแล้วอย่างสมัยก่อนเนี่ยนะเขาเข้าศึกษาธรรมะเนี่ยเขาเข้าเรียนวิสุทธิมัชเนี่ยเป็นหลักนีนะถ้าเป็นโบราณหน่อยนะเป็นโบราณสมัยพันปีที่แล้วก่อนโน่นเนี่ยท่านจะเรียนวิสุทธิมัชเป็นหลักเพราะฉะนั้นในวิสุทธิมัชจะเป็นความรู้ที่เป็นขั้นเป็นตอนเป็นลําดับนันะถ้าถ้าเป็นทั้งลําดับของการปฏิบัติด้วยตัววิสุทธิมัคเองนะเป็นทั้งลําดับของการศึกษาด้วย เช่นว่านิเทศแรกท่านพูดถึงศีละนิเทศจะขยายเรื่องศีลเป็นอย่างดีเห็นอย่างที่สองก็สมาธินิเทศก็จะแบ่งประเภทของสมาธิเนี่ยนะอย่างละเอียด อ, อย่างที่สามคือปัญญานิเทศปัญญานิเทศก็จะมาขยายให้ขยายจิตเจตสิกรูปจริงๆก็คือขันธนิเทศเพอขยายขันธ์เสร็จก็ต่อด้วยอายตนะต่อด้วยอินทรีย์ต่อด้วยสัจจะและปฏิจจสมุปบาท พอมีความเข้าใจพื้นฐานเหล่านี้เป็นอย่างดีท่านก็มาแสดงวิปัสนาญาณไปโดยลำดับเนี่ยนะจนถึงมักผลไปโดยลำดับเนี่ยนะทีนี้แล้วก็วิสุทธิมักเนี่ยท่านถือว่าเป็นอัตถกถาที่อยู่ท่ามกลางนิกายเหล่านี้เพราะนั้นถ้อยคำในในอัตถกถานี้จะไม่แสดงมากที่ท่านไม่แสดงมากเพราะว่าคำอธิบายทั้งหมดอยู่ในวิสุทธิมัอยู่แล้วเนี่ยนะนั้นก็ท่านก็เลยไม่ไดเอามามาก สังเกตดูข้อความหลายๆแห่งอันนะอัตถกถาจารย์ก็ดีกาจารย์เนี่ยท่านท่านเกรงอย่างหนึ่งคือกลัวจะเป็นครุคำพีนะนะคือกลัวว่าจะหนักเกินไปเนี่ยนะหนักเกินไปสําหรับคนเรียนในยุคหลังๆอ่ะนะท่านก็ห่วงเรามากเหมือนกันกลัวเราเห็นคำภีว่ามันโตแล้วเราจะเลิกเรียนกันอ่ะนะท่านก็ท่านก็ห่วงๆอ่ะนะสังเกตดูท่านจะพยายามใช้คําว่าย่อใช้คําว่าสังเขปใช้คําว่าอะไรพวกนี้ยให้เห็นว่ามันไม่มากนักนะอย่างเงี้ย ท่านก็เกื้อกูลต่อผู้ที่ไม่ค่อยมีวาสนาทั้งหลายเผื่อจะได้วาสนาไปบ้างวิสุทธิมที่มีหลายเล่มมีอกถาด้วยใช่ไหมครับออวิสุทธิมนี้เป็นคัมภีร์ระดับอตาตกถาส่วนดีกาก็มีเนี่ยนะมีดีกาอธิบายวิสุทธิมอีกทีนึ่งผมเคยซื้อมามันมีเล่มเดียวเล่มขนาดเนี ย, ยบาทละาวิสุทธิมทไมมีเล่มเดียวมัมไม่ได้รวมอกถาครับออวิสุทธิมเป็นคัมภีร์ ระดับอัตกถาอยู่แล้วก็มีหลายสำนักพิมพ์เหมอนะพูดถึงพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นหมวดมมีหมวดอะไรบ้างนีขอขอครั้งที่ว่าเล่มเท่านั้นเท่านั้นเน้นถึงเรื่องนี้เล่มหมวดนี้เขาเรียกว่าการจัดกลุ่มธรรมะยอ่ บีเขามีการรวบรวมไหมแล้วนะเกิเช <gained. S 1> ่นอย่างอย่างฉบับสีสีฟ้าเนี่ยนะจะเห็นชัดเขาจะแบ่งเป็นกลุ่มคือตามนิกายเช่นทีคณิกายมัชชิมนิกายสังยุตตะนิกายอังอัคุตการนิการเนี่ยนะตั้งแต่เล่มที่เท่าไหรถึงที่เท่าไรเนี่ยเขาจะบอกกนั่นแหละ ก็ตอนตอนข้างหน้าข้างหน้าเนี่ยเขาจะบอกกลุ่มคัมภีไว้นั่นแหะเขาก็มีหนังสือของบางเล่มบางบางอาจารย์เขาก็อย่างพุทธธรรมเนี่ยนะเขาก็จะบอกว่าเล่มที่เท่าไหร่เป็นเรื่องอะไรเนี่ยก็จะทําหรือพระไตรปิฎกฉบับประชาชนเนี่ยเขาก็จะทําให้ใ ห, ใ ห, ใ ห, ให้ให้มองเห็นภาพอนะพอมองเห็นภาพไอืมของเราเขามีนะนี่ ก็คือคือถ้าเป็นสมัยก่อนเลยเขาไม่ได้จัดเป็นรูปเล่มเมื่อไม่จัดเป็นรูปเล่มนี่เขาจะทรงจํากันเป็นคำพีเนี่ยนะเขาก็มีรหัสย่อของเขาว่าเช่นพระวินัยเนี่ยนะอาปามะจุปะอย่างเงี้ยนะอาก็หมายถึงอธิกรรมิกะปาก็ปัจจิตีเนี่ยนะจุก็จุลวัตรมะนี่ก็มหาวัตรแล้วก็ปะก็ปริวานเนี่ยนะอาปาอาปา อ, อาอกอาปามะจุ ป, ปะเนี่ยนะเขาก็แบ่งเป็น5คัมภีร์ใช่หเสร็จแล้วก็ทีส่วนพระสูตรเขาจะเรียกตามนิกายเนี่ยนะทีมัสสังอังคุทีคนิการมชิมนิกายสังยุตตนิการ อ, อังคุตระนิกายและคุถการนิกายส่วนอภิธรรมเาก็แบ่งเป็นเจชนะสังวิธาปกกะยะปะเนี่ยนะ ก็เรียกตามคำพีพวกนี้เขาเรียกว่า อ, า, อาทิสังเกตอาทิแปลว่าเบื้องต้นะ น, นะข้อสังเกตเบื้องต้นก็จำแบบย่อๆเขาก็จำทวนอีกครั้งหนึ่งน ะ, ะอาปามะจุปะนะอันนี้เป็นพระวินัยนะ ส่วนพระสูตเรเรียกว่าทีมะสังอังคส่วนอภิธรรมก็สังวิทาปุกะยะปะนี่นแลก็จำพระไตไปิกได้ลยงง้ส่วนเช่นอาก็อาทิกกรรมมิกะหรือ อีกบางแห่งก็ใช้คําว่าอุปโตวิพังเนี่ยน ะ, ท, ท, ท, นะทีก็ทีขั้นนิการไงถ้าเป็นอันนี้เขาเรียกว่าชื่อเรียกตามคำภีนะใช้คําว่าคำภีอันนี้เรียกตามนิกายอันนี้ก็เรียกตามโดยมากใช้คําว่าประกรณประกรณ์ก็มีใช้คําว่าคำภีก็มี ก็เป็นเป็นข้อสังเกตเบื้องต้นเนี่ยนะข้อสังเกตเบื้องต้นที่เรียกว่าอาที่สังเกตก็เหมือนกับ อ, อิติปิโสเนี่ยนะอติปิโสเนี่ยนะอะอรหังสัมมาสัมพุโทโธอสังวิสุโลปุสะอะไรเงรี้ยเขาจะมีศัพท์ของเขาแบบเยอะ ทีขนิกายเป็นพระสูตรยาวๆมีอยู่34สูตรตั้งแต่เล่มที่นะพระสูตรจางเกศรก็เล่มที่ 11-16 0 อ, อ1นะทีขนิกายเล่ม 11-16 มัชิกมันิกายเล่ม 17-23 สังยุตนิกายเล่มที่ 24-31 อังคุตรนิกายเล่ม 32-38 ใช่นี่ยนะส่วนคุถกานิกายก็ตั้งแต่เล่มนนี้สามสิบเก้าเล่มสามสิบเก้าถึงเจ็ดสิบสี่เป็นคุถกานิกายหมดเลยสีน้ำตาลอ่ะสีเนี้ยสีน้ำตาลเนี่ยแล้วอย่างคุถกานิกายก็แบ่งออกเป็นสิบห้าคัมภีร์ไงนะตั้งแต่คุถกปะปาทะคาถาธรรมบทอุทานอิติวุตกะ 46สอะไรสุตตานิบาตวมาอา่เปตตาวาัตุวิมานวาัตุแล้วก็ต่อด้วยเทรค า, าถาเทรีคาถาชาดกจบชาดกก็จุลนิเทศมหานิเทศปฏิสัมพิธามักแล้วก็อัปทานอัปทานก็ต่อด้วยจริยาปิดกและพุทธวงศ์นนะก็จะจบ เป็นเป็นเป็นเป็นกลุ่มคัมภีร์นะเป็นกลุ่มคัมภีร์จะทำไมคนนิยมเล่มสีน้าตาลมากกว่าสีฟ้าก็เพราะามีอัฐฐตรรย์ก็ฟ้าไม่มีอัฐฐนะครับไม่มีแต่ว่าสีฟ้าตัวใหญ่ดีก็ดีคนละอย่าง ไม่รู้ขันทวรวักนะเรื่องขันไม่ใครไปเจริญพอที่จะได้เห็นเข้าบ้างนะหรืออย่างน้อยก็จบบับผ้านี้จำอะไรไม่ได้ก็เอาแบบง่ายๆก่อนนี้รูปนะรูปมีเท่าไหร่ก็ตอบได้นะนี้เวทนาเวทนามีเก้าเวทนาสามเวทนาหกหรือเวทนาเก้าเวทนาสามก็สุขทุกข์และอุเบกขาไหมเวทนาหกก็ตามทวารหกเวทนาเก้าก็ ก็แบ่งเช่นตั้งแต่เมียมิตรไม่เมียมิตเป็นยังสัญญา6สัญญาขันนะสัญญา6สังขารก็เจตนา6วิญญาณก็วิญญาณ6ก็แยกนั่นหรือจะขยายแบบพิสดารก็จิตนั่นะจิตทั้งหมดนั่นแหละแล้วโรคจะเกิดด้วยอาการ5ถ้าดับก็ดับด้วยอาการ5เวทนาเกิดโดยอาการ5สัญญาสังขารวิญญาณก็เดียวกันนั่น แต่ละอย่างก็มาวิเคราะห์เหตุเกิดและความดับนี้เมื่อรู้เหตุเกิดความดับเป็นอย่างดีนะสิ่งที่ควรทำต่อไปก็คืออัศาธะาอาทีนวะเพื่ออะไรเพื่อจะได้นิสรณะรูปซะนิสรณาระก็คือการกำจัดชันธราคะในรูปนั่นเอง แล้วก็ที่เป็นที่สังเกตอีกอย่างหนึ่งก็พยายามไปเจริญพุทธคุณบทว่าสัมมาสัมพุทโธนะถ้าให้เห็นชัดถึงว่ารูปรูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรธคาไมินีปฏิปทาคือเราก็ควรเราก็ไปคิดแบบเราๆนะว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้รูปรูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรธคาไมินีปฏิปทาพระองค์ตรัสรู้ยังไงนาะเนี่ยนะคือคือเอาเอาแบบ กิดว่าเอาแบบคนที่เขาจบก่อนนะนะคิดคิดตามท่านไอ้ท่านรู้ยังไงเนาะเวทนาเวทนาสมุทัยเวทนานิโรธเวทนานิโรธค า, ามินีปฏิปทาสัญญาสัญญาสมุทัยสัญญานิโรธสัญญานิโรธค า, ามินีปฏิปทาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันเนี่ยจะได้มาเจริญคือเมื่อเจริญอย่างนั้นใคร่ครวญแบบนั้นบ่อยๆผู้ที่รู้อย่างนั้นเรียกว่ามีวิชา ถ้าไม่รู้อย่างนั้นเรียกว่าอะไรอวิชชาเนี่ยนะดูในหน้าสามร้อยเจ็ดสิบสี่เนี่ยนะหน้าสามร้อยเจ็ดสิบสี่จะพูดถึงวิชากับอวิชชาอาวิชาก็คือไม่รู้แบบนี้นี่แหละเราจะเห็นชัดว่าเรานี่ฉลาดหรือว่าเองนะ เพราะว่าผู้ที่ไม่รู้เนี่ยไม่รู้รูปไม่รู้เหตุเกิดของรูปไม่รู้ความดับแห่งรูปเนี่ยนะเรียกว่าอาวิชชาไม่รู้เวทนาไม่รู้เหตุเกิดของเวทนาไม่รู้ความดับเวทนาไม่รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับเวทนาอ น, นั้นแหละเป็นอวิชชาเพราะั้นอวิชชาของเรากับของพระพุทธเจ้าบางทีก็ขรานกันใช่ไหม ก็ให้คิดแบบนี้ไว้เสมอ น, นะถ้าเอาขันธ์ห้ามาจับก็นี่แหละรูปรูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรธถความินีปฏิปทาถ้าไม่รู้นี่แหละเรียกว่าวิชาถ้ารู้อะเรียกว่าวิชาเนี่ยนะก็สูตรใกล้กันเนี่ยนะอวิชาสูตรกับวิชาสูตรเนี่ยต่างกันเท่านั้นนะคือถ้าผู้ไม่รู้แบบนี้เรียกว่าวิชาผู้ที่รู้เรียกว่ามีวิชาเนี่ยนะ ว, วังวะอ่านี้เราก็ลองมาไขครควนดูเอ๊เรานี่รู้รูปรูปสมุทัยรูปนิโรธรูป นิโรธขามินีปฏิปทานเนี่ยนะถ้าไม่รู้เป็นอวิชชาเอ้ยพระพุทธเจา้ารู้นี่พระองค์รู้ยังไงนะในต่อไปก็รู้กิจด้วยใช่ไหมรูปปริญญารูปสมุทัยทหานะรูปนิโรธทําให้แจ้งรูปนิโรธคามินีปฏิปทาเจริญนี่อีกวารณะหนึ่งก็บอกว่าถ้าจะบรรลุนะจะบรรลุรูปต้องบรรลุบรรลุนี่มาจากคําว่าปฏิเวทนะ ต้องปฏิเวทหรือบรรลุด้วยปริญญารูปสมุทัยเนี่ยถ้าจะละถ้าจะบรรลุก็บรรลุด้วยการละรูปนิโรธก็ต้องบรรลุด้วยการทำให้แจ้งรูปนิโรธถ้าคมินีปฏิปทานี่ก็บรรลุด้วยการเจริญวันนี้ไปดูปปัญญสูทนีนึกชอบใจอยู่คำหนึ่งมากเห็นว่าดีเพราะว่าค้นหาศั์นี้มานานแล้ว เล่นไห น, นหเล่นไหนอ๋อปปัญจะสูทนีไหยปปัญจะสูทนีนี่เป็นอัตกถาเล่มของมัชิมนิกาย ม, ม, มีคำหนึ่งว่าหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบเนี่ยไง ไอ้คำว่าหลุดพ้นพ่อรู้โดยชอบเนี่ยรู้โดยชอบนี่รู้แบบไหนนะฟังกันเถอะแล้วก็ได้ยินคํานี้บ่อยคําว่าหลุดพ้นตัวนี้เนี่ยนะเออขอไปหลุดพ้นนี่ก็รู้อยู่แล้วว่าวิมุตนะนะคาว่ารู้โดยชอบอ่ะพาะรู้โดยชอบเนี่ยมาจากบาลีว่าอะไรนะสัมมัทัญยะอะไรอย่างเงี้ยจําไม่ได้ละทีนี้ท่านก็ให้อัดว่ารู้อะไรฟังกันเถอะ คือรู้ความเป็นกองแห่งอะไรเนี่ยควรจะเป็นกองความเป็นกองนะสิ่งที่เป็นกองก็คือขันรู้ความสืบต่ออะไรต่ออายตณะเนี่ยนะรู้ความว่างเปล่าของอะไรธาตุ รู้ความเป็นใหญ่ของอินทรีย์นะก็บางแห่งก็จะมีว่ารู้ความเป็นใหญ่ของอินทรีย์ตรงนี้เอาสามก็พอรู้ความเป็นกองแห่งท่ารู้ความสืบต่อแห่งอายตนะรู้ความว่างเปล่าของธาตุแล้วก็รู้ว่าทุกเนี่ยเพราะอัฏฐาว่าอะไรบีบคั้นใช่ไหมสมุทยัยเพราะาว่าเหตุเกิด นิโรธแปลว่าความวิเวกหรือความสังัดเนี่ยนะหรือเป็นอมะตะแล้วก็มักผ่ออาถาว่าเห็นเนี่ยนะเขาจะมีเนะี่เพรา ะ, ะนั้นคำว่ารู้โดยชอบเนี่ยเขารู้แบบนี้เนี่ยนะเขายกตัวอย่างว่า ส, สัพเพสังขาราอนิจจา เนี่ย น, นะถ้ารู้ว่าสัพเพสังขารานิจจานะต้องมองพวกนี้ออกอะ่ะอย่างนี้แหละเขาเรียกว่ารู้โดยชอบรู้โดยชอบอย่างเนี้ยจึงหลุดพน้นเนี่ย น, นะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนคิดว่ามันเหมือนกับว่ามันปึ๊บแบบแม่แมอะไรนะมันหลุดไปแบบอะไรมันหลุดเหมือนกับอะไรนะขวดมันเปิดฝามันหลุดไปปึง้งอะไรแบบนั้นนะเราก็ไปเดาแบบเราเอ้ยบรรลุแบบไม่เคยรู้อะไรเลยรู้แต่ว่าผังขึ้นมานะไม่รู้มันคืออะไร มาเจอตรงนี้ก็เลยทำให้เข้าใจชัดว่าจริงก็ไม่ได้เพิ่มอะไรจากที่เราเรียนหรอกก็คือสิ่งที่เราเรียนนั่นแหละแต่ว่าทำให้มาคิดนะนะทำให้มาเห็นภาพชัดเจนขึ้นอ่าเรียกว่ารอบรู้สิ่งเหล่านี้โดยชอบนะรอบรู้สิ่งเหล่านี้โดยชอบแล้วก็หลุดพ้นด้วย นะพ้นยิงๆก็อรหัตตมากอารหัตตะผลแล้วมีนิพานเป็นอารมณ์นั่นแหล ะ, ะนะก็คือรอบรู้สิ่งนี้นะรอบรู้สิ่งนี้จนเห็นพระนิพา น, นจริงก็รู้ตัวถ้าถ้ามองประมวลแบบย่อๆก็จะเห็นแบบนี้อีกอคือตัว ขันอายตนะธาตุพวกนี้แหละคือคืออะไรคือทุกขสัตว์ใช่ไหมตัวขันอายตนะธาตุคือทุกขสัตย์สมุทัยเป็นเหตุเกิดแห่งสิ่งเหล่านี้ถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นไปเป็นนิโรธสัตว์เนี่ยนะวิเวก ค, คือสังกัดจากสิ่งเหล่านี้ทั้งมวลน่ะนะคำว่าวิเวกนีแปลว่าสงัดสงัดจากเนี่ยขันอายตนะธาตุ ทุกขสัตย์สัสงัดจจากสมุทัยเนี่ยนะมักเนี่ยคือเป็นตัวที่ไปเห็นวิเวกเนี่ยนะก็เมื่อทำกิจเหล่านี้ท่านจึงหลุดพ้นเนี่ยนะท่านจึงได้วิมุตขึ้น นั่นก็ไปใคร่ครัวเนี่ยแบบนี้นะว่าพระผู้ที่เขาหลุดพ้นนะก็หลุดพ้นเนี่ยแหละรูปแบบนี้รูปรูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรทขามินีปฏิปทาเนี่แหละเขาทาให้เขาพ้นจากทุกได้บทนี้เป็นบทที่เยี่ยมยอดที่สุดในบรรดาบททั้งหลายเลย สัจจะสี่เนี่ยบทเนี่ยถือว่าประเสริฐสูงสุดเนี่ยจำไม่เหม น, นรูปรูปสมุ ท, ทยัยรูปนี้รูปรูปนิโรธคามิีนีปฏิปทาหรือว่านี้ทุกนี้เหตุแห่งทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกนะีชาตินี้เข้าใจสี่บทนี้ก็ถือว่าประเสริฐที่สุดแล้วไม่ใช่ว่าตั้งไ ว, ว้ว่าชาตินี้รูร้กับนามรูปก็พอแล้วเหม น, นมีอยู่ท่านหนึ่งก็บอกชาตินี้นะั่นเารู้ไม่ใช่ผู้การนะก็มีคนหนึ่ง บอกแม่ถ้าเขารู้นามรูปนะเขาพอใจมากชาตินี้นะหลังจากที่เขาบอกว่ารู้อะไรเป็นนามเป็นรูปนะเขาเลิกแทบจะเลิกศึกษาธรรมะเลยนะเพราะเขถึงจุดสุดยอดของเขาเลยใช่ไหมรู้อะไรเป็นนามอะไรเป็นรูปน่าเห็นใจมากเลยเนะียยังไม่ทันได้ไปไหนเลยนะรู้อะไรเป็นนามอะไรเป็นรูปเนี่ยเนะียเหมือนเข้าโรงเรียนบอกรู้จกักกอไก่ขอไข่ขไขนี่ก็กพอละออกลาออกแล้วออ ถ้าศึกษาไม่พอเนี่ยปกตินี่รูปรูปควรควรกําหโนรู้ใช่ไหมจากขัค ว, ควกรก่อมโนรู้จากขัวสมุทัยควรละมันจะมีปัญหาว่าเอ้าแล้วตันหามันในอดีตไปแล้วมันทํำยังไงงั้นก็ละกิเลสอดีตสิงั้นน่ะก็บอกว่าตันหามันควรละนี่อครั้นี้นะถ้าถ้าศึกษาไม่ดีมันจะเริ่มสับสนเนะี่ยเพรามันดับไปแล้วอ่ะ เข้าที่ที่พิจารณาว่านี้จกักรสูนะฮะจกักรสูอันนี้ยเกิดจากตันหาเก่าในก่อนเป็นตัวให้เกิดสิ่งที่ต้องการละเนี่ยต้องการละจกักรสูอันนี้ใช่ไหมใช่ไหมที่เราบอกว่าปราถนาพ้นทุกเนี่ยปราถนาพ้นในจกักรสูอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่เมื่อไม่ใช่แล้วเราต้องการพ้นจากจักรสูอันไหนก็ชาติของจกักรสูในชาติหน้าน้นอันปุ้นเนาะ ไม่ใช่อันตี <laughs> ทีนี้ไอ้จักรสุอันใหม่นี่มันเกิดจากอะไรเกิดจากความเยืดใหญ่ในจกักรสุอันนี้อ่นนะ า, น า, นานะสมมติว่าใช้คำว่าเสนหานะเสนหาตัวนี้เนี่ยสเสนหาอันนี้คือสเสนหาในจักสุไอ้เสนหาในจักสุมันสร้างจากักรสุอันต่อไป ทีนี้จักรสุนี้เป็นอุปาทานอาขออภัยอุปาทานขันเพราะมันเป็นที่อาศัยให้เกิดตัวอุปาทานทีนี้เอาใหม่เอาเอาบทเดิมอะจักรสุเหตุเกิดของจักรสุแต่ทีนี้ไอ้จักรสุอันข้างหน้าต่อไปมันจะมีหรือไม่มีอยู่ที่ว่าคุณกําจัดฉันทราคะในจักรสุอันนี้ได้ไหมคือคั่วยางอันนี้ให้สุกได้ไหมล่ะ ถ้าคั่วสเสนหาเนี่ยแปลเป็นไทยไทยเราว่ายางเหนียวเยือ่อใยที่ติดในจกักษุนะถ้าคั่วเยื่อใยที่ในจกักษุได้ก็ก็ตัดฉัน้นธาคะในจกักษุได้ทีนี้ทํายังไงจะหมดเยื่อใยในจกักษุใช่ไหมพระองค์ก็ย้ําบ่อบ่อออจาจักษุเที่ยงหรือไม่เที่ยงอันนเริ่มนั่นเริ่มขั่วแล้วนะเริ่มเผาละเผาเผาเยื่อใยที่มีในจกักษุเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ ก็มีคำถามอันใหม่อีกว่ามรักกิเลสอดีตอนาคตหรือปัจจุวันนะไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตไม่ใช่ปัจจุวันเพราะมรกมีนิพพานเป็นอารมณ์แต่ว่าถ้าใครไม่พิจ า, จารณาจักสุจนจนเลื่อนจากจักสุออกจากจักสุมามีนิพพานเป็นอารมณ์นะถ้ายังสมมุติว่าตัวจิตที่มาพิจ า, จารณาจักสุนี้เป็นวิปัสสนาเจริญวิปัสสนาจนให้มร์กเกิด มรรคเกิดนี่มีนิพพานเป็นอารมณ์เนนิพพานนี่คือการออกจากจากโสอันเนี้ออกจากกักโสอันนี้ทีนี้ถ้าไม่ไม่ไม่เลื่อนออกมาเนี่ยนะแล้วจิตที่จะเลื่อนออกมาต้องเป็นอริยมรรคเนี่ยถ้าไม่ออกมาเป็นอย่างนี้นะจากโสอันนี้มันไม่ไม่หมดน่ถึงเห็นว่าจากโสไม่เที่ยงโดยปกติธรรมดาก็ยังพาให้มีจากโสอันต่อไปต่อเมื่อมีสิ่งที่ระงับจาก จักสุเนี่ยนะออกจากสิ่งที่เป็นจักรสุเป็นอารมณ์โดยเียกว่ามีนิพพานเป็นอารมณ์ได้เนี่ยนะแล้วก็วิปัสสนาอันนี้ต้องเป็นอริยมรรคพอมรรคอันนี้เกิดปั๊บเขารู้ทันทีเลยว่าผู้ที่เจริญเนี่ยนะรู้เลยว่าเขาไม่เกินพบที่แปดเขาจะสมมติว่ามรรคอันแรกที่เห็นเนี่ยนะรู้เลยว่าจะมีจักรสุอีกแปดลูกนนะตัดแว่นอีกแปดครั้งอีกอีกแปดชาตินะนะได้อีกอ น, นะ ก็เออเจ็ดเจ็ดคู่นะอ่านะยังเหลืออีกเจ็ดคู่อ่านะเจ็ดคู่ก็ยังดีบริหารมันไปเช็ดขี้ตาขี้อะไรให้มันไปนั่นนะแล้อีกเจ็ดชาตินั้นเองอะนะแต่ว่าไอ้สำคัญมันจะ <c oughs> <c oughs> ให้ให้ตามมันปกติกันแล้วกันแนตะ่ใจอย่าไปมองคนอื่นคอเอาไว้มากๆ ก, ก็ละ เอียงมันจะเอียงมันจะเขยจะยุ่งอีกก็มีอะไรน่าคิดอีกเยอะๆนะ น, นนี้สมควรกับเวลาละ